มีการร่อนรับขับวสุขต่างๆอย่างอีอย่างดีพวกคนที่มาเยี่ยมพอดีจิดดีใจพอใจพอใจแล่เขยังรักไข่ยันดูเราอยู่สันใดพวกเดชทั้งหลายที่หลวงรับดับไปตัวเมองสันในเวลาเราทำบุญทุนทานเรียนเหล่านั้นทางหาก และเรามองเห็นด้วยตาปัจจะมาคอยจ้องมองอยู่ทุกคิดทุก ท, ทางคอยรับบุญรับสุขสนจากญาติพี่น้องที่ทำบุญคุนทานต่างๆมีเรื่องการตายเป็นอย่างนั้นจะไปทำมาค้าขายจะไปหาอยากห้ากินส่วนใดในยได้ส่องอาศัยตามของตนที่ทำไว้หล่อเลี้ยงร่างกาย ด้วยจิดใจเหแบบนั้นพวกเราท่านคือยังไม่ล่มหายตายไปยิงปวนที่นี้ที่จะอะไมาหากว่าเราไม่ทำบุญชิงทานไม่ทำคุณงามความดีเอาไว้ถึงเวลาล่มหายตายไปกว่าจะเป็นอย่างพวกเศษเหล่า น, นั้นมันจะลำบากยากเย็นดังนั้น เมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่พอที่จะทำบุญชุนทานอะไรได้ทำโอเซียละไปคอยคนอืน่นให้บุญชุนนมีอยู่ในตนท่องตอน้ยาจะมีความสะดวกสบายอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์เสดพระบุตเสษพระธิดามันกดสบายงากเพราะเรามีคุณอยู่แล้วแต่เรามัมีคุณจะไปหาเอาใหม่มันแสนลำบาก ไม่จ้ากว่าจะไปหาในระยะใดอาจยิ่งไปตรงนรกไม่มีพระเจา้าพระสงฆ์ไม่มีใครที่จะไปโกรธหรือสมบัติสักขันอะไรที่จะนำมาทำบุญทุนทางหรือจะรักษาสีานก็ไม่มีเป็นของลำบากอยากเย็นแต่มาเซ็นเต็ดตนั้นจัดเป็นลำบากฉะนั้นในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ ทุนางานความดีส่วนใดสี่ควรจะจะทำบำเพนญยอดน้าปลอรีเล่นฟ้งนไข่แต่ทำบำเพนเสียอย่าให้เสียชีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาทำตามสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังแนสอนให้พวกเรารู้เราพอใจทางบาปบุญคุณโทษต่างๆห า, า, าเราทุกท่านที่จะได้มาอย่างนี้ชีวิตของเรา สืบฐานไปในวันที่หนึ่งๆจมีคุณค่ามีสาระประโยชน์ควรจะจะทําบําเพ็ญอย่างไรถึงจะเป็นบุญเป็นสุขแก่จิตใจของคนรีบเร่งคว้าขควางจะทําบําเพ็ญแก่ไปนอนหลับพักจิตถื่เป็นเรื่องควรคิดควรเมิค nước, ควรฝึกจิตใจของตนเพราะต่างคนต่างคน ควาเมเป็นอยู่เป็นของกีรังอย่างยืนที่เราเห็นกันคนอืนยืนที่เดือดรุ่นเดียวกันยือหลังเราโรมหายตายไปจำนวนมากเหมือนกันที่พวกเรายัางมีบุญมีผุ้สนมีลาภอย่างยิ่งที่มีชีวิตยืนยงคงมาแลาา้วก็คุณง า, ามคฝานดีขอให้มีขึ้นตามวันตามเดือนที่ผ่านมา ยิ่งแฉะสมที่ว่าเราเป็นคนสลากนะคุณงามความดีแต่ตัวฟองตัวไม่อย่างนั้นชีวิตที่ผ่านมากว่หมดไปเปล่าไม่ได้สร้าประโยชน์อะไรถึงเวลาล่มหายตายไปจะไปจะจิตจะใจตายหลังแก่ตัวไม่ได้พอไปถึงเวลาตายแล้วจะไปสั่งคุณงามความดีที่ไหนก็ตายไปแล้ว ต้องอาใจตามสิ่ที่ตนทำไว้เท่านั้นเรียนเรื่อนสองาตามดีกปรเนําไปสู่สถานที่ดีตามตั่วเขจะไปสู่สถานที่ตั่วไอเ น, นี้ยตัวซ้อนตัวอยญ่เนี้ยเราทุกคนต้องการตามดีส่องการตามสุขส่องการตา ม, าา ม, าามเจริญถึงเนี้ยมาเกิดมีปวดไหวมีตามสุขมีโรคใข้ไข่เสี่ยงน้อย มีสมบัติชัดเานบ้านช่องทุกอย่างสะดวกสบายทางหากเราไม่มีคุณสมบัติือมีบุญผุกศลอะไรตายไปก็จะมีความลำบากยุง่งยากแจ่ตัวของตัวเองเมื่อเราคิดคิิพิจารณาอย่างนี้การทำคุณงามความดีใส่ตังงตตว นหน้าที่ของเราทุกคนจะสะสมเอาไว้ในเหือเวลาเรายังมีชีวิตเชนอยู่พอเราทุกคนพอจสะสมได้ตามกาลังตามคามสาาของตนคุณงามความดีส่วนนี้แหละอันนี้เรียกว่ากรรมเรามีกรรมเป็นของข้องตนมีกรรมเป็นู่เหงผลอจะไปดีไปทั่วก็คือผลข้องกรรมราจะที่รับผล ยังไมต้องการแต่ก็ได้ละเพราเราได้ทำเอาไว้แต่นั้นตามเลือกทําตามเล่นตาที่ในดีทําตามที่ดียิ่เป็นหน้าที่ต้องปวกเราที่จะเลือกพัดจับหาทำแต่แต่ําที่ดีใสยใจสุราคาใส่ใจทั้งตัวตาดีนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสอง ตามตัวไปในพวกทางหน้าหาเรายังมีที่เหลือปัญหายังมีมานะที่จิมีไอ้เจ้าปลายทานยังร้ายที่เหลือเหลือตายตายที่เหลือไม่ออกการเรียนร่ายายเกิดของพวกเราทุกคนจะต้องมีตามเรียนร่ายายเกิดดีอย่างนี้เราเมื่อได้จิตใจของเราคนจากอาสวะที่เหลือทั้งหลายจิตใจของเราผู้จับ ว่าเราค้นไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นเชื่อให้เกิดอีกไปจับพัดใจเพราะเราได้กระพื่อปฏิบัติถี่ที่สุสดกฎหมายที่เราต้องตารแล้วนั่นแหละจีจะเป็นเครื่องตายใจได้วาพบข่าทางหน้าของเราไมื น, นเข้าไปัจจุบันเรารู้เราเข้าใจอยู่แล้วเหมือนกันกับเรามีข้าว อยู่คุงเดียวเราแต่จะซ้อมไปตามไปหนึ่งไปหงกินหมดแล้วทางหน้าเราจะมีข่าวมาจากที่ไหนไปทําคือทําพันต่อไปเพราะข่าวที่มีอยู่เราไปหูในหนึ่งกินหมดหีืยังไม่กินคนหนึ่งหงฝุกไปแล้วจะไปทำคือทำพันอีกไมบได้ทางข้าที่มี การหาอาชวะสมัครเท่านั้นถึงยังมีชีวิตอยู่ก็รู้ก็เข้าใจว่าทีวยตอาชวะที่กอพบก่อชาติของเราเราได้ผ่าแล้วเราเราได้ชำระแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นเชื่อให้เกิดอีกต่อไปเราเข้าใจชัดเชนอย่งนั้นผู้ที่เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีความสงสัยว่าพบน้อยพบใหญ่ยิการเกิดการตายต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะ ความเข้าใจในความบริสุทธิ์ของตัวสมบูรณ์อยู่แล้วส่วนผู้ที่ยังไม่ถึงที่สุดยมุดยิดทานอย่างนั้นยังมีการเรียนบายตายเตลึงควรจะทำเลือกภาพจัดหาส่างกรรมดีเอาไว้ใส่ตายส่วาจาใส่ใจของตัวเพราะกรรมดีนี้จะเป็นทายา ติดจนตามตัวไปทุกพวกทุกชาตเหมือนเงาเราจะสืนเขาเข้าขั้มเราจะลง น, านงง้าลงเดีว่วเงาก็จะต้องติดตัวตามเนไปอย่างนั้นตามดีพวกเราทุกขั้มยิ่งควรแต่ทาบํ า, า, บาเพง อ, อย่าไปเห็นว่าตายแค่ก่อนเพื่อจะให้ลูกหัวหรือคนอื่นก็ทําใหา้ นันหมายถึงของแน่นอนพาการตายไปเราจะมารอรับบุญที่่จากคนอื่นมันไม่แน่นอนบางทีเขาไม่ทำให้หรอบางทีเราตายไปทาชั่วเรามากก็อาจจะไม่มีโอกาสเวลาที่จะมารับเพราะเขาจับคุมคุมตัวอยู่แล้วเหมือนคนที่อยู่ในห้องถังสลาโปวดหนักเขาแห้ง ยากด้วยคนอืからからのの allora ่นเยี่ยมอย่างนั้นก็มีใยปัจจุบันทางตาพยายามต่อคอหาด้าคนที่มีโทดหนักมีจังเพาะเนี่รักที่ชอบใจจะไปเยยเยียนต้องคว่เลเราเยี่นมเยียนแต่ท่งสิ่งสท้องไปให้าหาไปตกที่อื่นที่ไกนี้ืไม่ราบว่าที่อที่อาศัย เขาอยู่สถานที่ใดคนที่ส่งไปก็าอาจจะส่งไม่ถูกฉันดใดตามคอยรับบุญรับกู้สนจากคนอื่นสมวนกันฉันนะั้นแต่นั้นพวกเราท่านทางที่ดีพอควรสะสมอบรมถึงานความดีเอาไว้จะไม่เสียใจตามภายหลังคนเรามีาการเกิดการตาเยเย็นว่าอย่างนี้ าายังไม ม, มีความหุนเมอใดจะต้องมีการเตการตาแต่ต่อไน่นอนผิดที่เตะบางทีก็อาจไปเตะจนัดชวิานไปเกิดเเที่ยุราากายหรือตกนรกเตะเข้าบุตเติธานตามอำนาจาสนาะคุณงามความดีจะส่งผลให้ความดีทุกคนยินดีสะใจแล้วลอ การต่างความดีความดีเต็มอกเต็มใจทำอย่าไปชอบแต่ผลแต่เกลียดแต่ปล่อยผลใจอาเจียอย่างนั้นผลที่เราต้องการก็ไม่ไตางคามมุ่งหมายนาเหมือนกันกับเราต้องการขปอาหารแต่เราไม่หามาอาหารมันก็ไหลมาดังมา เราต้องการข้าวเราทำนาเวลามันเก็บเราออกผลเราไปเก็บเกี่ยวเอามาเป็นของของเราได้ถ้าไปเก็บเกี่ยวข้าวของของคนอื่นยังตกเป็นของคนอื่นไปแต่นั้นเราต้องการข้าวเราต้องทำนาเราต้องการบุญต้องการบุญกุศลเรต้องทำดีทีเราทำดีเอาไว้เบุญกุศล จะเก็บอออกผลให้คือตรงไปสู่ความสุขความเจริญต่างๆวันเวลาที่ผ่านไปมันจริงชีวิตของคนทุกคนไปไม่ใช่วราวันเวลามันผ่านไปล่าเรานะบันกกกกกกจะแก่จะเข้าจะลบจะตายแต่เราจะมาเกิดเกิดมัวเมาประมาทไม่ใช่เป็น ง, งานความดีหนือ่ืโอกาส ความดีอะไรวันเืิดก็หมดไปเปล่าๆถึงเวลาตายไปจะเสียใจภายหลังนี่เป็นเรื่องเตือนตัวเองในที่นี้ที่เรนาสะสมพลังความดีเอาไว้กาตเพื่เตือตัวของเราเองในปลกตัของเราเองแนี่แค่คามตายหรือความหลับควาตายอย่างนั้น ไม่มีวันจิตใจที่จะได้รับความสุขความสบายเพราะไน่ลึกนึกขึ้นฟูจิตใจของตัวเองจิตใจโอนักวันเกิดโฉมดิ่งลงไปสู่ทางต่ำแต่ละลึกนึกถึงความตายจึงเป็นเหลืองอันหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าเคยเนี่สอนว่ามรณะมรณะม่สินและลึกถึงเมลัยรละลึกึง ตอนใดเวลาใดใจจะไม่เผลอมื่ผลไปในทางผู้อื่นหรือเรามีความตายเป็นธรรมดาจะหัวผลความตายไปไหนได้เมื่อเราตายไปเราจะเอาอะไรไปนอกจากรรมที่เราสสมเอาไว้เมื่อเราลนั้นเราต้องาความดีแล้วก็สงความดีเอาไว้ความดีมีหลายทางหลาย่เรา เด็กตองแต่ทำมลเ็นเจนฐานเราเคยเแต่ทํำมลเ็นเป็นจิตเยวัดเป็นเรื่องประจำตัวถึงแม้เด็ทําใหญ่ตโตเราหูฐานแต่เราทําอยู่เป็นอาชีพทำอยู่บ่อยๆวันนึงนิดวันนี้หน่อยทุกวันเวลารวกเป็นเข่าก็จะเป็นบุญจนผู้จใหญ่ตโตเราหูฐานได้หีนก็เหมือนกันเป็นสิ่งตืเราควรจะรักษา ความเพียรละเว้นทางจิต ท, ทางใจมีเยตนารักษาได้เวจาใจทองตนยินดีเป็นยินเป็นผู้สทางหนึ่งทางบุญทางผู้ส่วนจชินได้มีมากมาในใจว่ามีแต่แก่สีึงีเียเทอานั้นมันมีหลายทางหลายอย่างยิเป็นเรื่อง ของพวกเราทุกคนผู้ที ấp, ่สนใจในกามบูรตาผูกสวนควรคิดพิจารณาสะสมอบรมให้ตัวของเราได้รับผลประโยชน์จากความเกิดมงคนไม่อย่างนั้นความเกิดควจะเป็นญโมฆะคือหาสาระประโยชน์ไได้ยังเกิดเพื่อตายก็ไม่แปลกต่างอะไรเป็นประกาเพราะขอวัดปฏิบัติหรือคุณงามความดีอะไรไม่มี ยัจินแต่ขี้มันโผ่มีรารประโยชนอะไรเก่วกัารสร้างพลังความดีใสายใสใจเป็นหน้าที่ทุกคนอากมีพิจารณาสะสมเอาไว้เพราะวันคืนที่ผ่านไปถ้าเราสร้างความดีมันก็ได้สาประโยชน์จากความแต่ทามัมนเป็ท้องตัวาก็สร้างความตัว เป็นเรื่องเดือดร้อนจากสองตัวเองการดีทํามทั่วก็ไม่มีบุคคลผู้ใดใครจะทําให้นอกจากตัวของตัวเองคนอื่นจะแต่บอกแต่สอนแถนั้นจะแต่แนะนำให้แถวนัส่วนตัวของตัวเองเป็นคนแต่ทําเป็นคนบําเพ็ญเป็นจะได้ดีจะได้ทั่วเพราะตัวต่างเขาจริงว่า สุขอสุขิปัต่างความดีและความชั่วตัวเ็นคนต่างใส่ตัวของตัวเองายโยอันญตัวไทเยคนอื่นไนเมีงทที่จะมาเอาความดีและความทั่วใส่ตัวของเราได้ผ่านความสสอนองพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้อย่าพวกเราทุกวันนี้นิย้จิตใจของเรา มีขั้วอย่างไรว่าให้ตรวจตาที่เจรนาตรวจตายายจาตรวจเอียดเป็นอาทิตย์แล้วไม่ได้ไปทำขั้วอะไรทางกายของเราตรอยู่เฉยๆเป็นปีนอยูแล้วาจาของเรา่งโกงหกโกงเมย์ผดอะไรออกไปงอยู่แล้วระวงอยู่แล้วคิดได้แล้วเวนทั้งสองหรวาต่างเรื่องของใจใจของเราเลิกคิด เปนบุนผู้สนไม่เาเป็นสนอย่างไรให้ตวตาที่ิจนาการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเครื่องอจิตชำระจิตให้จิตใจฟองใสให้จิตใจเบิกบานให้จิตใจเยือกเย็น